เจทรท่านพุทธศาสนิกชนผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2548เป็นวันอังคารขึ้น8ค่ำเดือน7เป็นวันพระวันธรรมวนะวันฟังธรรมเป็นวันที่ พุทธศาสนิกชนผู้มีศรัท ธ, ธาที่แน่วแน่จะมาวัดกันเป็นประจำเพื่อประกอบกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงกระทำตามพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เพราะเหตุที่รู้ว่าสังขารนั้นเป็นของไม่เที่ยงคือชีวิตของเรานั้นสักวันหนึ่งก็จะต้องมีการหมดไป จะหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ได้จึงไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาณคืออย่าปล่อยให้เวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้ผ่านไปโดยไม่ได้ตักตวงผลประโยชน์อันที่เราพึงจะสามารถตักตวงได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานหรือถึงแม้จะไม่ว่างก็จําเป็นจะต้องเลือกวันหนึ่งไว้สําหรับเป็นการ บำเพ็ญกุศลเป็นวันที่เรามาสร้างคุณงานความดีสร้างสระที่พึ่งให้กับใจของเราถ้าเราไม่กำหนดวันไว้แล้วมันก็จะถูกเรื่องราวอย่างอื่นมาคอยฉุดมาคอยลากพาเราไปแล้วก็จะมาบ่นว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยอยากจะเข้าวัดก็ไม่มีเวลาเข้าวัดดังนั้นเราจึงต้องมีขอบเขต เราจะต้องตั้งเป้าหมายไว้ว่าอย่างน้อยที่สุดอาทิตย์หนึ่งวันพระหรือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราต้องเข้าวัดกันสักครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่มีโอกาสเข้าวัดเลยท่านมีคำพังเพยที่พูดไว้ว่าเวลาเข้าวัดก็ให้เดินเข้าวัดอย่าให้คนเข้าแบกเราเข้าวัดในโลงนะเวลาจะไหว้พระ ก็อย่าให้เขาเอาได้สายสินมาจับมือเรามัดเพื่อไหว้พระเวลาที่จะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก็อย่าไปรอให้พระมาสวดให้เราในขณะที่เรานอนอยู่ในโรงพราะเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเรื่องกุศลทั้งหลายเรื่องประโยชน์สุขทั้งหลายที่เราเพิ่งจะได้รับจากการกระทาของเรานั้นมันก็หมดไป เพราะเมื่อตายแล้วก็ไม่สามารถทำความดีไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้ต่อไปมีแต่ต้องรอให้ญาติพี่น้องที่อยู่ข้างหลังช่วยทำบุญอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พอเป็นเหมือนกับเป็นค่ารถพาที่จะส่งให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางอีกจุดหนึ่งได้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่ได้สร้าง คุณงานความดีสร้างบุญสร้างกุศลไว้ต่อให้คนเขาทำบุญอุทิศส่งให้เราไปทักเท่าไรเราก็ไม่มีจุดหมายปลายทางที่จะไปเพราะเราไม่ได้สร้างความดีไว้นั่นเองถ้าเราสร้างความดีไว้แล้วเกิดมันไม่พอมันขาดอยู่อีกดิษอยู่อีกหน่อยหนึ่งก็พอที่จะอาศัยบุญกุศลที่ญาติโยมทาบุญอุทิศให้กับเราในงานศพของเราได้ ดังนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่จึงไม่ควรปล่อยเวลาอันมีค่านี้ให้ผ่านไปโดยไม่ทำบุญทากุศลเพราะบุญกุศลนี้เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นตามหลักธรรมแล้วท่านบอกว่ามันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพียงแต่เราจะเห็นหรือไม่เห็นมันเท่านั้นเอง แต่มันมีความทุกซ่อนเล้นอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนากันไม่ว่าราบยศสารเสริญสุขที่พวกเราแสวงหากันแบบแทบเป็นแทบตายแต่เราหารู้ไม่ว่าในบรรดาราบยศสารเสริญสุขที่เราแสวงหากันนั้นล้วนมีความทุกซ่อนเล้นอยู่ทุกเพราะอะไรทุกเพราะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนั่นเอง ได้มาก็อาจจะเสียไปได้เวลาเสียไปก็ต้องเสียใจก็ต้องทุกข์ใจตามมามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถจะมาควบคุมบังคับได้ตลอดไปมันเวลาจะไปจากเราทั้งๆ ท, ที่เราไม่อยากให้มันจากเราไปมันก็ไปได้นี่นะคือเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ความสุขต่างๆที่เราแสวงหากันนั้น จิงมักไม่ใช่จะเป็นความสุขเท่าไหร่พวกเราเปรียบก็เหมือนกับพวกแมงเม่าที่บินเข้ากองไฟเวลาเห็นไฟแสงสว่างก็มีความกระตือรือร้อนมีความสุขอยากจะสัมผัสกับแสงสว่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าแสงสว่างนั้นมีความร้อนซ่อนเร้นอยู่เมื่อบินเข้าไปใกล้แสงสว่างมากๆเข้าก็จะต้องถูกความร้อนนั้นเผาผลาญ ให้ตายไปได้นี่คือสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นแบบนี้มันเป็นเหมือนกับกองไฟที่รอคอยที่จะเผาเราอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วคนที่มีเงินทองมากๆย่อมต้องมีความสุขมากๆแต่เราไม่รู้หรอกว่าภายในจิตใจของเขานั้นมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมากน้อยเพียงไร ถ้าเรามีแล้วเราก็จะรู้เองว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขเลยเช่นพระพุทธองค์พระบรมศาสดาของพวกเราก่อนที่จะเสด็จออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นราชกุมารอยู่ในพระราชวังที่มีพร้อมบริบูรณ์ในเรื่องราบยศสรรเสริญสุขแต่ในภายไทยของพระองค์นั้น กับมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลใจเพราะพระพุทธองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่มีปัญญาทรงเห็นสิ่งต่างๆนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่จะต้องสร้างความทุกข์ให้กับตนเองไม่ช้าเกินเลยเมื่อถึงเวลาที่เกิดการพัดพลากจากกันขึ้นมา และก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครหักห้ามป้องกันได้เพราะสังขารร่างกายของคนเหล่านั้นในที่สุดไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถึงเวลาที่จะต้องผันแปรไปตามสภาพของมันสักวันหนึ่งก็ต้องแก่สักวันหนึ่งก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและสักวันหนึ่งก็ต้องตายไปเมื่อตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดไป สิ่ง ต, งต่างๆที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทเวลำเวลาแสวงหามาแบบไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักเด็ดเหนื่อยเมื่อเวลาก็ต้องสูญเสียหมดไปเมื่อร่างกายแตกไปแล้วใจที่อาศัยร่างกายนี้อยู่ก็จะต้องเดินทางต่อไปไปสู่พบหน้าชาติหน้าต่อไปจะไปสูงไปต่ำ ก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ได้กระทําไว้ในชาตินี้และในชาติก่อนๆที่ยังไม่ได้แสดงผลขึ้นมามันก็ยังจะเป็นตัวที่จะส่งเราไปสู่พพหน้าชาติหน้าต่อไปเราจะไปเกิดบนกองเงินกองทองหรือจะไปเกิดบญกองขยะส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับ ก, บการทําบุญทาทานของเรา ถ้าเราหมันทำบุญทาทานอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาเราไปเกิดชาติหน้าเราก็จะได้ไปเกิดบนกองเงินกองทองเพราะบุญที่เราทำในวันนี้นั้นเป็นเหมือนกับการฝากไว้ในธนาคารนั่นเองเมื่อเรามีความจำเป็นเราก็สามารถไปที่ธนาคารแล้วเบิกออกมาใช้ได้ถ้าเราไม่มีเงินฝากไว้ในธนาคาร เวลาเรามีความต้องการเงินทองเราจะไปเบิกที่ธนาคารเขาก็ไม่ให้เราเบิกเราจะขอกู้เงินเขาเขาก็ไม่ให้กู้เพราะเราไม่มีฐานะพอที่จะไปกู้เงินจากเขานั่นเองเพราะเราไม่ได้ทํามาไว้ก่อนนี่คือเรื่องหลักของกรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเป็นหลักที่ตายตัวทรงสอนว่าสัตว์โลกนั้น ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องไปเกิดในที่สูงที่ต่ำอยู่ตามเหตุคือการกระทาที่ตนเองได้กระทามาถ้าเรารักษาศีลกันอย่างสม่ำเสมอเวลาเราตายไปแล้วไปเกิดข้างหน้าโอกาสที่เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็มีอยู่มาก ถ้าเราไม่รักษาศีลเลยมีแต่ทาบาป ท, ทำกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดบดมดเท็จโกหกหลอกลวงเวลาเราตายไปเราก็จะไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์นี้จะต้องอาศัยศีลเป็นเหตุพาให้ไปเกิดนั่นเองเหมือนกับเราจะเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหน เวลาเราจะไปขึ้นเครื่องถ้าเราไม่มีตั๋วเรือบินเขาก็จะไม่ให้เราขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินการที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีตั๋วเหมือนกันตั๋วที่จะพาให้เราได้ไปเกิดในภพภูมิของมนุษย์หรือสูงกว่านั้นไปนั้นก็คือศีลห้านี่เองคือการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดมดทิตโกโหกหลอกลวงเสพสุรายาเมาการกระทำเหล่านี้ร้วนเป็นเหตุที่จะกีดกั้นไม่ให้เราได้ไปเกิดในภพที่สูงคือภพของมนุษย์ของเทพของพระงและของพระอริยเจ้าถึง แ, แม้เราจะทำบุญอย่างสม่ำเสมอถวายสังฆทานอยู่เรื่อยๆก็ตาม แต่ทานนี้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวกำหนดเรื่องของภพชาติได้ทานนี้เพียงแต่สามารถกำหนดฐานะของการอยู่กินของเราเท่านั้นว่าถ้าเราทำบุญทาทานแล้วเราจะไม่อดอยากขาดแคลนเราจะไปเกิดภพไหนชาติไหนที่ไหนเราก็จะมีสิ่งที่คอยดูแลเราให้เราอยู่อย่างอิ พอเพียงมีอาหารพอเพียงที่จะอยู่รับประทานถึงแม้จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็จะได้เป็นเดรัจฉานที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเป็นเช่นเป็นสุนัขก็เป็นสุนัขที่มีคนเห็นแล้วก็อยากจะเอาไปเลี้ยงนี่เพราะว่าอานิสงส์ของทานจะเป็นอย่างนั้นคนที่ทําบุญทำทานท่านบอกว่าจะมีผิวพรรณผอมใสมีรูปร่างสวยงาม แต่ถ้าทาทานอย่างเดียวไม่รักษาศีลก็จะไม่ได้มาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีทรัพสมบัติเงินทองลอยอยู่แตะ่จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะว่าไม่ได้รักษาศี l นั่นเองนี่คือเรื่องของกรรมและวิบากเป็นเหตุเป็นผลการกระทําของเราทางกายทางวาจา จะส่งผลให้เราต้องไปเสวยบุญเสวยกรรมตามเหตุที่เราได้กระทำไว้ถ้าเราเป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานชอบรักษาศีลแล้วยังชอบปฏิบัติธรรมด้วยคือมีเวลาว่าง ก, ก็จะก็จะไหว้พระสวดมนต์นั่งฝึกทำสมาธิทำจิตใจให้สงบถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอ อันดีสงของการทําบุญทั้งสามอย่างนี้คือทําทานรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมทาจิตใจให้สงบเมื่อจิตได้ก้าวสู่ความสงบแล้วจิตก็ถือว่าเป็นจิตของระดับของพระพระพรหมผู้ที่ทําจิตใจให้สงบนิ่งมีความสุขอยู่กับความสงบนิ่งนี้คือจิตของพวกพรหมนั่นเองถ้าตายไป ก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมสวยบุญของของพรหมจนกระทั่งเมื่อบุญนั้นหมดแล้วก็เลื่อนลงมาสู่ชั้นเทพแล้วสวยบุญของชั้นเทพหมดแล้วก็จะเลื่อนลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่ประมาทอย่างที่ท่านทั้งหลาย พยายามวันมาทำบุญที่วัดอย่างสม่าเสมอรีบสร้างบุญสร้างกุศลรีบรักษาศีลรีบบปฏิบัติธรรมต่อไปเมื่อตายไปก็จะได้กลับไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราอยากจะไปชั้นที่สูงกว่านี้คือไม่ต้องกลับลงมาเกิดอีกเราก็ต้องปฏิบัติธรรม อีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสนาคือการเจริญปัญญานอกจากการทำบุญให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบแล้วเรายังต้องมาศึกษาดูสิ่งต่างๆที่ชีวิตของเราจิตใจของเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ต่างๆ ที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุเ ข, ข้าของต่างๆเราต้องศึกษาให้เห็นถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเขาว่าเป็นอย่างไรเช่นถามตัวเองว่าสิ่งต่างๆเ่านี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ มันเป็นตัวเป็นตนหรือไม่ใช่ตัวตนมันเป็นสมบัติของเราหรือไม่ใช่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงถ้าเราศึกษาพิจิตรอยู่เรื่อยๆแล้วสังเกตดูอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะต้องเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ยตลอดเวลา mm hmm. เช่นร่างกายของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงของมันนี่มันช้ามันเลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราลองไปดูรูปภาพที่เราถ่ายเมื่อสักห้าปีสิบปีก่อนแล้วเรามาดูตัวเราในวันนี้เราจะเห็นว่ามีความแตกต่างมากแทบจะเป็นคนละคนเลยทีเดียวนี่ก็คือาะมันเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แล้วมันก็สร้างความทุกข์ความกระมวลใจให้กับเราเมื่อเรารู้ว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะต้องแก่ลงผมเภาจะต้องขาวผิวหนังจะต้องงอร่างกายจะไม่มีกําลังวางชาเหมือนขณะที่เราอยู่ในขณะนี้มันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาในใจของเราทุกข์เพราะว่าเราไม่อยากจะแก่นั่นเองเราไม่อยากจะเจ็บ และเราไม่อยากจะตายแต่จะทําอย่างไรได้เราเราควบคุมบังคับมันได้หรือไม่เราห้ามมันได้หรือไม่เราห้ามมันไม่ได้ถึงเวลามันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันนี่คือธรรมชาติของร่างกายของเราและของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอย่างนี้ทั้งสิน้นคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามป็นของที่ไม่ ไม่ไม่ไม่ที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนาของใจได้เลยมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือใจของเราเราสามารถควบคุมใจของเราไม่ให้ไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกับการพลดพลาดจากสิ่งต่างๆทั้งหลายได้ ถ้าเรามันสอนใจเราอยู่เสมอให้เรารู้ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะได้รับมันได้แต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจคิดไว้ก่อนล่วงหน้าพอเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คิดไม่คาดฝันมาก่อนเกิดขึ้นมามันก็จะทำให้เราต้องว้าวุ่นขุ่นโัว มีความทุกข์มีความเสียใจตามมาเพราะเราไม่ได้ศึกษาธรรมชาติหรือคือสิ่งต่างๆที่เราใจของเราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองแต่ถ้าเรามันศึกษาจเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆแล้วจิตใจของเราก็จะปล่อยวางได้เมื่อเราปล่อยวางได้ความทุกข์มันก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นเราปล่อยวาง สิ่งใดที่เราปล่อยวางหรือสิ่งใดที่เราไม่มีความผูกพันยึดมั่นถือมั่นด้วยสิ่งนั้นมันจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราเช่นร่างกายของคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้สึกเดือดร้อนร่างกายของคนอื่นคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยใจของเราจะไม่วุ่นวายใจของเราจะไม่เศร้าสศกเสียใจแต่ถ้าร่างกายของคนคนใด ที่ใจของเราไปเกิดมีความผูกพันขึ้นมามีความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาว่าเป็นเราเป็นของเราเช่นร่างกายของสามีเราของภรรยาเราเมื่อเรามีความยึดมั่นถือมั่นว่าเขาเป็นของเราเวลาเขาเป็นอะไรขึ้นมาเราก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างแน่นอนความทุกข์นี้มันจึงไม่ได้เกิดมันไม่ได้เกิดเพราะว่ามันมีความแก่ความเจ็บความตาย ความแก่ความเจ็บความตายนี้ไม่สามารถสร้างความทุกข์ให้กับใจที่มีปัญญาที่ปล่อยวางที่ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งนั้นๆได้แต่ความทุกข์นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจของคนคนนั้นไปมีความผูกพันมีความยึดมั่นถือมั่นในบุคคลนั้นๆหรือในสิ่งของนั้นๆเมื่อมีความผูกมั่น ผุกพันมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาที่จะต้องมีการพัดพรากจากกันก็จะต้องมีความทุกข์ขึ้นมาหรือในขณะที่ยังไม่มีการเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเพียงแต่คิดถึงมันเท่านั้นก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรนี่เป็นเพราะว่าเราขาดปัญญาเราไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาใจ ของเราไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเราได้มาศึกษาฟังเทศฟังธรรมฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆ อ, อยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่ให้ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆนั่นเองเพราะเราไปยึดไปติดแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์แต่การไม่ยึดไม่ติดนี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความรับผิดชอบ เราก็ยังมีความรับผิดชอบอยู่กับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยเรามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันอย่างไรเราก็ปฏิบัติกันไปเช่นสามีภรรยามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติกันอย่างไรก็ปฏิบัติกันไปตามหน้าที่ของตนมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาเข้าขอเงินทองอย่างไรก็ต้องดูแลรักษากันไป แต่ใจไม่ยึดไม่ติดคือรู้ว่าสักวันหนึ่งมันก็จะต้องต้องจากกันไปนั่นเองถ้าไม่ยึดไม่ติดถ้ารู้ว่ามันต้องจากกันไปก็จะไม่ยึดไม่ติดเมื่อไม่ยึดไม่ติดแล้วก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆคนบุคคลต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยเวลาอยู่ร่วมกันก็อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุขเพราะว่าไม่จะทำอะไรตามอารมณ์ของเรา เพราะเรารู้ว่าคนแต่ละคนนั้นเขาก็มีจิตมีใจของเขาเขาก็มีความเปลี่ยนแปลงมีอะไรอะไรที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะไม่ไปอยากอะไรในตัวเขาเกิ น, เ ก, นเกินความเป็นจริงขณะนี้เขาเป็นอย่างไร เราก็พอใจกับความเป็นจริงของของเขาในขณะนี้อย่าไปสร้างความไม่พอใจให้เกิดขึ้นแล้วเกิดความอยากที่อยากจะให้เขาเปลี่ยนไปเช่นเขาเป็นคนที่ชอบกินเหล้าเมายาแต่เมื่อเราเลือกเขามาเป็นสามีหรือเป็นภรรยาเราต้องอยู่กับเขาเราก็ต้องทำความเข้าใจว่านี่มันเป็นความจริงของเขาเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ไป มีความอยากที่จะให้เขาเป็นอื่นไปเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจแต่ถ้าเราเกิดมีความอยากที่จะให้เขาเป็นอย่างอื่นเช่นเขาชอบกินเหล้าเมายาเราก็อยากจะให้เขาเลิกถ้าเขาไม่เลิกเราก็เกิดความทุกเกิดความเกลียดเกิดความโกรธขึ้นมาในตัวเขานี่แหละคือความไม่เข้าใจในการดูแลรักษาใจของเรา ใจของเราจึงมักจะมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีมากมีน้อยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือเป็นยาจุกไม่ว่าจะเป็นนายกหรือจะเป็นคนธรรมดาเดินบนถนนก็จะมีความทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นเพราะไม่รู้จักดูแลรักษาใจไม่ให้ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆนั่นเองแต่ต้องเข้าใจว่าการไม่ยึดไม่ติดนี้ไม่ได้หมายความว่า การไม่มีความรับผิดชอบความรับผิดชอบก็มีอยู่เรามีหน้าที่ที่เราจะต้องทําอะไรกับใครเราก็ทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดเราเป็นลูกเราก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกแต่เราต้องเตรียมใจไว้เสมอว่าลูกของเราหรือพ่อแม่ของเรานั้นเขาเปลี่ยนแปลงได้ นิสัยเขาเปลี่ยนได้เขาบอกอันนี้ก็เป็นอย่างนี้เพิ่งนี้เขาอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้เขาเป็นอย่างไรเราต้องพร้อมที่จะรับได้เสมอถ้าเราพร้อมที่จะรับได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงของเขาแต่ถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนี้แหละไปตลอดเวลาเขาจะต้องไม่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น พอเขาเกิดไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการแล้วใจของเราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีถึงกับต้องทําลายชีวิตของตนเองก็มีคนบางคนเสียใจเพราะสามีภรรยาไปนอกใจทําให้ตนเองมีความเศร้าโศกเสียใจจนกระทั่งทนรับไม่ได้ทนอยู่ต่อไปไม่ได้ก็เลยเกิดความเห็นผิดไป ถูกความหลงความมืดบอดครอบงมจิตใจทำให้คิดว่าการฆ่าตัวเองนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดนี่เป็นเพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะมาดับทุกข์นั่นเองแต่ถ้าเราหมั่นศึกษาพิจารณาสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมด ไม่ว่ารูกที่เราดูด้วยตาเสียงที่เราฟังด้วยหูรถที่เราสัมผัสด้วยลิ้นกลิ่นที่เราดมด้วยจมูกสัมผัสต่างๆโผฏฐพาะที่แข็งที่นิ่มที่ร้อนที่เย็นและอารมณ์ต่างๆธรรมอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจรั้วเป็นอนิจจังทุกขังอนาตตาทั้งสิน้น เราเพียงแต่รู้ทันมันแล้วอย่าไปหลงตามมันเท่านั้นเองเวลามันเป็นสิ่งที่ถูก อ, อกถูกใจก็อย่าไปยินดีเพราะว่าเวลามันเปลี่ยนไปเราจะเสียใจเวลามันไม่ถูก อ, อกถูกใจก็อย่าไปขับไล่สายส่งอย่าไปรังเกียจมันเพราะยิ่งไปขับไล่สายส่งแล้วมันไม่ไปมันก็ยิ่งสร้างความทุกข์ใจให้กับเราแต่ถ้าเราทาใจให้รู้ทันว่า เดี๋ยวมันก็ต้องไปมันไม่มีอะไรอยู่เป็นอย่างนี้เสมอไปวันนี้มีความทุกข์เดี๋ยวความทุกข์นี้มันก็ต้องผ่านไปวันนี้มีความสุขเดี๋ยวความสุขนี้มันก็ต้องผ่านไปมันไม่มีอะไรที่จะอยู่คงเส้นคงวาเหมือนเดิมตลอดเวลานี่คือสิ่งต่างๆที่ใจของเราจะไปพบไปสัมผัสอยู่ตลอดเวลาถ้าเรารู้ทันแล้วเราก็จะได้รู้จักทำใจ คือดีเราก็รับได้ชั่วเราก็รับได้เพราะเราไม่มีทางเลือกนั่นเองทางเลือกนั้นก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นแหละคือเจอความชั่วเกิดเจอสิ่งที่เลวร้ายแล้วไม่ยอมรับมันก็ต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจจนกระทั่งความทุกข์นั้นแหละจะเป็นตัวที่มาทำลายเราในที่สุดแต่ถ้าเราทำเป็นคนใจดีสู้เสือไว้ มีมาอย่างไรก็รับมันไปในเมื่อเราไม่มีทางไปแล้วเราเป็นเหมือนกับคนจงจนตรอกถอยไปก็ไม่ได้เดินขึ้นไปข้างหน้าก็ไม่ได้ก็ อ, อยู่เฉยๆนั่นแหละวางใจให้เป็นกลางไว้ไม่ต้องไปยินดีไม่ต้องไปยินร้ายกับสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติกับมันอย่างไรก็ปฏิบัติมันไปตามหน้าที่ของเรา เช่นร่างกายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษามันไปตามตามฐานะของเรารักษาได้มันหายก็ดีไปรักษาแล้วมันไม่หายมันตายไปมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันแต่ใจของเราไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปกังวลเราสามารถรักษาใจเราให้อยู่เป็นปกติได้เหมือนกับไม่ได้เจ็บเหมือนกับไม่ได้ตาย ถ้าเรามีปัญญาถ้าเราปฏิบัติธรรมมันทำสมาธิอยู่เรื่อยๆไหว้พระสวดมนต์ฝึกทำจิตใจให้สงบถ้าจิตสงบแล้วเราจะรู้ว่าความสงบนี้แหละเป็นที่พึ่งของจิตเป็นที่พึ่งของใจในยามที่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยรักษายังไงมันก็ไม่หาย เลิกขณะที่รักษาอยู่มันยังเจ็บยังปวดอยู่ยังไม่หายเราก็สามารถที่จะเอาใจของเราเข้าไปพักไว้ในสมาธิเวลาที่ใจพักอยู่ในสมาธินั้นความเจ็บความปวดของร่างกายจะเข้าไปไม่ถึงใจเหมือนกับว่าใจนี้เป็นมีห้องที่เราสามารถเข้าไปหลบได้ เช่นเวลาอากาศข้างนอกร้อนเรามีห้องที่เป็นมีเครื่องปรับอากาศอยู่เราก็หลบเข้าไปอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศข้างนอกจะร้อนจะวุ่นวายอย่างไรมันก็ไม่สามารถตามเราเข้าไปในห้องที่เราเข้าไปอยู่ได้นี่คือสมาธิคือความสงบของใจถ้าเรามีความสงบของใจแล้ว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราสามารถรักษาใจของเราให้อยู่ในความสงบนั้นได้จะไม่มีอะไรจะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับเราได้เลยเพราะเรามีที่พึ่งมีที่หลบนั่นเองก็คือบุญกุศลที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนอกจากการทำสมาธิเราก็ยังต้องรักษาศีล เราต้องทาบุญทาทานเพราะการทำบุญทำทานการรักษาศีลนี้จะเป็นเครื่องที่จะช่วยสนับสนุนการทำจิตของเราให้สงบนั่นเองถ้าจิตใจของเราถ้าเราไม่มีศีลไม่มีทานเวลาจะทำสมาธินี้มันจะทำสงบได้ยากเพราะจิตใจมันจะมีความว้าวุ่นขวนมัวเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ไปทำไว้ไม่ดีนั่นเอง